เรื่องพยาบาทสนิมในใจใหมายเลขสองตอนถแถลงพิเศษก่อนอื่นข้าพเจ้าจะขอแสดงอาบัตและต้องขอโทษท่านผู้อ่านคือในตอนต้นที่ข้าพเจ้าเรียงลำดับอุปกิเลสไว้นั้นเฉพาะข้อที่สองที่ว่าโทสะความคิดร้ายนั้นผิดไปที่ถูกเป็น พยาบาทความปองร้ายกรุณาแก้เสียด้วยเหตุใดจึงผิดน่าจะพูดไว้เสียด้วยเมื่อข้าพเจ้าเรียบเรียงหนังสือบันทึกธ ร, รมำข้าพเจ้าก็ใช้พยาบาทความปองร้ายการสอนในโรงเรียนต่างๆและการบรรยายทางวิทยุก็ใช้พยาบาททั้งนั้นแต่ครั้นมาเขียนพุทธศาสตร์ฉบับก้าวหน้าพอจะเขียนลำดับอุปกิเล์ ก็คว้าตำราพระอาจารย์มากองไว้คือหนังสือนวโกวาดของมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วลอกตามที่ท่านเรียงไว้ไม่นึกเฉลียวใจว่าจะผิดแต่ครั้นพิมพ์เสร็จแล้วและเอามาอ่านดูเจอโทสะเข้านึกสังหอนใจว่าจะใช่หรือไม่ใช่เพราะแต่ก่อนเคยใช้พยาบาทเพื่อความแน่นอนจึงค้นดูพระบาลีในพระไตรปิฎก เล่ม12หน้า65ซึ่งเป็นต้นฉบับของศาสนาก็ได้พบพระบาลีกล่าวไว้แน่นอนว่ากาตเมจะพิขเวจิตตะสะอุปากิเลซาอภิชาวิสมะโลโพอุปกิเลโซพยาปาโทจิตตะสะเป็นต้นเป็นอันว่าอุปกิเลที่สองต้องเป็นพยาบาทแน่ ไม่ใช่โทษสักข้าพเจ้ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมหนังสือนวากโวว่าจึงกลายเป็นโทษสักไปได้หรือจะเป็นที่ตรวจสอบพลาดไปจะลองเสนอท่านกรรมการมหามากุฏดูก่อนแต่ที่ถูกต้องพยาบาทแน่ตอนข้อธรรมสำกันมีข้อที่น่าจะทำความเข้าใจไว้ตรงนี้อีกอย่าง นอกจากจะเป็นการสังสารในวงการผู้ศึกษาธรรมะแล้วยังเป็นประโยชน์ทางผู้ปฏิบัติด้วยประการสำคัญข้าพเจ้าจะได้เบาใจเรื่องที่ว่านี้คือเรื่องข้อธรรมซํากันธรรมะในศาสนาของเราพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมวดหมวละสองข้อมีหมวดละสามข้อก็มีหมวละหข้อ10บข้อ20สบข้อก็อมี แล้วก็ตั้งชื่อหมวดธรรมนั้นๆเช่นโลกะปรารธรรมอิทิบาสีรมวิหารสังหาวัตถุคราวาสธรรมดังนี้เป็นต้นแล้วก็แจกลูกออกไปว่าหมวดไหนมีธรรมข้อใดบ้างข้อนี้ข้อนี้รวมกันเป็นหมวดนี้ข้อนั้นข้อนั้นรวมกันเป็นหมวดนั้นการที่ทรงแสดงเป็นหมวดเป็นหมวดอย่างนี้ พร้อมุ่งผลทางปฏิบัติเป็นที่ตั้งอย่างเช่นจะเป็นเจ้านายคนจะใช้ธรรมะอะไรบ้างจะแต่งงานจะใช้ธรรมะอะไรบ้างจะไปรับจ้างเขาจะใช้ธรรมะอะไรบ้างแล้วท่านก็จัดให้เป็นชุดเป็นชุดตามแต่ความจำเป็นของงานคล้ายๆกับตำรายาที่กล่าวไว้เป็นขนานขนานอย่างนั้นแหละทางฝ่ายกิเลส ก, ก็เหมือนกัน ว่าไว้เป็นพวกเป็นพวกให้เรารู้เช่นพวกนิวรณ์พวกอกุศสลมูลพวกอกุศลกรรมบทพวกอุปกิเลสดังนี้เป็นต้นพวกน้อยมีพวกมากมีการที่ทรงสอนให้เรารู้จากกิเลสเหล่านี้คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าทรงเป็นหมอสอนตำรายาให้ด้วยแล้วก็สอนอาการไข้ให้ด้วย ปายหมดธรรมที่ว่ามาแล้วเหมือนกับตำรา ย, ยาเป็นขนาดขนานส่วนพวกกิเลสนี้เหมือนกับโรคเป็นอย่างๆแล้วทีนี้ยาแต่ละขนาด น, นั้นมันประกอบด้วยตัวย า, ยาหลายอย่างเวลาเราไปเจียดยาเราจะรู้สึกว่าตัวยาบางอย่างไปแทรกอยู่ขนาด น, นี้ก็มีขนาดนั้นก็มีขนาดโน้นก็มีอย่างเช่นยาดำ ไม่รู้ว่าไปเข้าอยู่กี่ขนานกี่ขนานยาแก้ไข้ก็เข้ายาดำยาแก้ปวดก็เข้ายาดำยาแก้ปวดท้องก็เข้ายาดำอย่างนี้เป็นต้นตอนว่าด้วยอาการของโรคก็เหมือนกันประเดียเด๋ยวซ้ำประเดี๋ยวซ้ำเพราะอาการซ้ำจริงอย่างเช่นปวดปวดหัวก็ปวดปวดฟันก็ปวดปวดท้องก็ปวด ปวดบั้นเอวก็ปวดอาการปวดอย่างเดียวไปมีอยู่ในโรคตั้งหลายอย่างแยกกันก็ยากว่าปวดอย่างนี้กับปวดอย่างนั้นมันปวดต่างกันอย่างไรถ้าจะเรียนตำรายาก็ต้องเจอชื่อตัวยาซ้ำๆถ้าจะเรียนอาการโรคก็ต้องได้ฟังอาการซ้ำๆหมวดธรรมกับหมวดกิเลสก็เหมือนกันธรรมะบางข้อไปเข้าหมวดธรรมตั้ง5ถึงหมวด เช่นอย่างธรรมะข้อวิริยะในหมวดอิทธิบัติสี่ก็มีในหมวดมรแปดก็มีในหมวดเวลารัชกระนธธรรมก็มีในหมวดพละธรรมก็มีในหมวดพ่อชงก็มีและในหมวดอื่นๆก็มีฝ่ายกิเลสก็รูปเดียวกันนี่แหละกิเลสบางตัวก็ไปมีชื่อติดอยู่ทุกหนทุกแห่งเช่นกิเลสข้อพยาบาท ในพวกนิวรณ์ก็มีในพวกมโนทุจริตก็มีแล้วในอุปกิเลสนี้ก็มีอีกมันเป็นกิเลสที่ออกจะกว้างขวางมีหน้ามีตาอยู่มากเดี๋ยวโผล่ที่นั่นเดี๋ยวโผล่ที่โน่นการที่ข้อธรรมซ้ากันก็ดีกิเลสซ้ากันก็ดีเมื่อครั้งเป็นนักเรียนอยู่นึกชอบยิ่งซ้ากันมากๆยิ่งชอบเพราะทุนเวลาในการท่องจำ แต่ครั้นมาตอนนี้รู้สึกหนักใจชอบก่นหนักใจอย่างไรหนักนักคือบางข้อบางความได้อธิบายไว้แล้วว่าไว้หมดตั้งแต่เปลือกนอกจนกระทั่งถึงแก่นเลยเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นพยาบาทนี่แหละปีกลายนี้ก็ว่าไว้ในคำบรรยายเรื่องอกุศลกรรมบทจนหมดเกลี้ยงแล้วไม่ได้ขยักไว้เลยมาปีนี้เกิดมาเจอกันเข้าอีก แล้วจะทําประการใดมันยถาสับปีเรียบร้อยแล้วแล้วจะสวดอะไรต่ออีกครั้นจะอธิบายพยาบาทอีกก็สงสารคนเก่าเพราะเคยย่ามาด้วยกันแล้วครั้นจะผ่านไปเสียอ้างว่าเคยอธิบายแล้วก็สงสารคนใหม่ที่ไม่ได้ร่วมทางกันมาเมื่อปีกลายเอาอย่างนี้ดีกว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นกลางโนนก็พี่นี่ก็น้อง จะผ่อนให้ทางนี้บ้างทางนั้นบ้างข้อที่ซ้ำเก่าในหมวดอุปกิเลสนี้มีอยู่3ข้อเท่านั้นคือข้อ1ข้อ2กับข้อ3 3ข้อนี้ตีเสือว่าเรานั่งรถตามทางเก่าที่ผ่านมาเมื่อปีกลายตั้งแต่ข้อสไปทางตัดใหม่แท้แต่แม้จะซ้ำข้าพเจ้าก็จะขยายความเดิม ให้ความรู้กว้างขวางขึ้นไปอีกทุกตอนตรงไหนเลี่ยงไม่พ้นจริงๆจึงจะซ้ำแต่อย่างไรอย่างไรก็คงไม่ถึงกับซ้ำซากจนเสียผลเป็นแน่ตอนความหมายของพยาบาทพยาบาทมูลศัพท์เดิมคือวยะบวกปะทะต่อกันเข้าตามกฎของไวยากณ์เป็นวยาปาทะ และพยาปาทะแล้วก็แผลงมาเป็นบาลีไทยว่าพยาบาทถ้าอยากจะทราบความหมายแน่ๆว่าพยาบาทคือทำอย่างไรก็ต้องกลับไปดูมูลศั์ตามมูลศัพ์นั้นวยะแปลว่าเสื่อมปาทะแปลว่าก้าวไปหรือดำเนินไปต่อกันเข้าไปพยาปาทะก็แปลว่า ดำเนินเข้าไปหาความเสื่อมถือเอาความว่าก้าวไปสู่ความพินาศล่มจมถ้าคำนี้เป็นคุณบทของกิเลสก็แปลว่าโทษเครื่องทําความพินาศนี่ว่าทางอัดทางแปลสําหรับท่านต้องการศึกษาว่าทางปฏิบัติพยาบาทคือความคิดหมายปองที่จะทําลายคนอื่นความหมายปองคล้ายๆกันนี้ ที่เป็นสายของโลภะก็มีแต่นั่นปองจะเอาทรัพย์ของเขาเรียกว่าอภิชาส่วนความหมายปองที่เรากําลังพูดกันอยู่นี้ไม่ใช่ปองจะเอาทรัพย์แต่เป็นการปองที่จะทําลายเสียความหมายปองนี้งอกมาจากกิเลสสายโทษสะเรียกกันย่อๆว่าความปองร้ายถ้าจะถามว่าปองร้ายเขาทําไมก็ตอบว่า ปองร้ายเพื่อจะแก้แค้นไม่ใช่ปองร้ายเพื่ออย่างอื่นพูดถึงความปองร้ายเสียก่อนความปองร้ายหรือมุ่งร้ายต่อคนอื่นนั้นอาจมีมาได้หลายทางคือเจตนาของผู้มุ่งร้ายนั่นมีต่างๆกันบางคนแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันก็มุ่งร้ายต่อคู่แข่งเช่นนักมวยตกลงชกกันแน่แล้ว แต่และฝ่ายก็มีแต่คิดมุ่งที่จะชกให้คู่ต่อสู้คว่ำลงให้ได้อย่างนี้ก็ปองร้ายผู้ชายใจซามไปรักเมียคนอื่นแล้วคิดปองร้ายต่อผัวเขาจะหาทางให้เขามีอันเป็นไปเสียแล้วตัวจะได้ครองรักแทนอย่างนี้ก็ปองร้ายนักการเมืองฝ่ายค้านหาช่องที่จะโค่นรัฐบาลเสียให้ได้เผื่อว่าฝ่ายตัวจะได้เป็นรัฐบาลบ้าง นี่ก็ปองร้ายอายการเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยขอให้สารประหารชีวิตจำเลยเสียแล้วคอยเฝ้าภาวนาขอให้สารตัดสินลงโทษจำเลยเช่นนั้นอย่างนี้ก็ปองร้ายแต่ความปองร้ายทั้งปวงที่ว่ามานี้ไม่ใช่ความพยาบาทไม่เป็นพยาบาทเพราะไม่มีความแค้นใจเป็นสมุดฐานคู่ชกเขาก็ไม่มีความแค้นใจกันมาก่อน ชายชูก็ไม่เคยแค้นใจผัวเขามาก่อนฝ่ายค้านก็ไม่ได้แค้นใจรัฐบาลมาก่อนอัยการก็ไม่ได้แค้นใจจำเลยมาก่อนฉะนั้นความปองร้ายในระหว่างคนเหล่านี้จึงไม่นับว่าเป็นความพยาบาทเป็นแต่ความปองร้ายเฉยๆถ้าเช่นนั้นปองร้ายอย่างไรจึงเป็นพยาบาท ความปองร้ายที่เป็นพยาบาทนั้นต้องมีความคิดที่จะแก้แค้นผสมอยู่ด้วยโปรโดยึดหลักให้มั่นว่ากิเลสมีสามตระกูลตามที่เคยอธิบายมาแล้วพยาบาทนี้เป็นกิเลสตระกูลโทสะเพราะฉะนั้นคนที่พยาบาทเขาจะต้องมีกิเลสในสายเดียวกันที่รองรองลงไปแฝงอยู่ในใจด้วยเสมอท่านนึกวาดภาพกิเลสตระกูลโทสะได้ไหม เทือเถาของกิเลสตระกูลนี้เป็นอย่างนี้จากอารติไปปฏิฆะคือความแข้นใจปฏิฆะไปโกทะโกทะไปโทสะโทสะไปพยาบาทคือความคิดแก้แค้นโปรดสังเกตว่าจุดสำคัญของกิเลสสายนี้คือปฏิฆะความขัดแข้นใจ ถูกใครทําให้ไม่เป็นที่พอใจแล้วมันขัดอยู่ในใจอาการขัดอย่างนี้ถ้าเป็นอาการขัดในทางเดินของอาหารเราเรียกว่าแขนก็ได้เช่นกลืนข้าวลงคอไปแล้วมันลงไปจุกอยู่แค่ระหว่างหน้าอกจะลงไปถึงท้องก็ไม่ลงจะคลายกลับออกมาก็ไม่ได้อย่างนี้เราเรียกว่าแขนข้าวแขนแล้วไม่สบาย ต้องหาทางแก้บางทีต้องกลืนน้ากระทุ้งมันลงไปจึงหายแค้นเกี่ยวกับจิตใจก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกันคือเวลาเราถูกใครเขาทำให้ไม่พอใจอารมณ์นั้นมันเกิดขัดอยู่ในใจเราเรียกว่าแค้นใจเหมือนกันความคิดที่จะทำลายคนอื่นเพื่อที่จะแก้แค้นใจนี่เองเรียกว่าพยาบาท ฉะนั้นพยาบาทเราจึงแปลว่าความคิดแก้แค้นก็ได้คิดแก้อย่างอื่นไม่ได้เช่นคิดทําลายเพื่อแก้จนคิดทําลายเขาเพื่อแก้นิสัยของเขาคิดทําลายเขาเพื่อแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นไปคิดทำเพื่อแก้พวกนั้นไม่ใช่พยาบาททั้งนั้นพยาบาทจําเพาะคิดแก้อย่างเดียวคือแก้แค้น แต่ว่ารู้เพียงเท่านี้ยังไม่สิ้นเรื่องการคิดแก้แค้นนั้นไม่ใช่เป็นพยาบาทเสียทุกอย่างความแค้นมันเป็นทุกข์วินยยชนย่อมต้องคิดแก้ด้วยกันทั้งนั้นต่างแต่วิธีแก้เท่านั้นวิธีแก้มีอยู่หลายวิธีเช่นปล่อยวางอารมณ์เป็นเฉยเฉยปรับความเข้าใจกันเสียเรียกตัวมาสั่งสอนเสีย ตัดยอขาดมิตรกันเสียและวิธีอื่นๆอีกหลายอย่างแต่คิดแก้แค้นในใจตัวโดยวิธีอื่นๆตามตัวอย่างนี้ก็ไม่เป็นพยาบาทที่เป็นพยาบาทนั้นจำเพาะความคิดที่จะแก้แค้นโดยวิธีทำลายเขาเท่านั้นฉะนั้นคนที่ผูกพยาบาทคนอื่นมักจะเอาความแค้นใจในตัวเอง ตีราคาเทียบความเสียหายที่จะทำให้เขาเช่นคิดว่าจะให้สมแคนจะจัดการกับมันให้สมแคนดังนี้เป็นต้นและเนื่องจากการแก้แค้นนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดรอนคนอื่นจึงเรียกว่าอาฆาตตามเขีนค่าเขาตอนอาฆาตวัตถุสิบ ความคิดที่ผูกอาฆาตพยาบาทนั้นมีลักษณะสิบอย่างคือหมายความว่าเพราะคิดอย่างนี้อย่างนี้ความพยาบาทจึงตั้งอยู่ได้ฉะนั้นท่านจึงเรียกความคิดเหล่านี้ว่าอาฆาตวัตถุคือ 1. อาฆาตพระคิดว่าเขาเคยทำให้เราเสียหาย 2. ออาฆาตพระคิดว่า เขากำลังทำให้เราเสียหาย 3. อา่าพระคิดว่าเขาจะทำให้เราเสียหาย 4. อา่าตพระคิดว่าเขาเคยทำให้คนที่เรารักเสียหาย 5. อาอาฆาพระคิดว่าเขากำลังทำให้คนที่เรารักเสียหาย 6. อา่าตพระคิดว่า เขาจะทําให้คนที่เรารักเสียหาย 7. อาฆาตเพราะคิดว่าเขาเคยช่วยเหลือคนที่เราชัง 8. อาฆาตเพราะคิดว่าเขากําลังช่วยเหลือคนที่เราชัง 9. กาอาฆาตเพราะคิดว่าเขาจะช่วยเหลือคนที่เราชังและ10อาฆาตเพราะเรื่องอื่นๆ นอกจากเก้าอย่างนี้ตามที่พระพุทธองค์ทรงแจกอาคาตวัตถุ1ิบอย่างไว้นี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าคนผูกพยาบาทนั้นคิดนึกอย่างไรเป็นการแยกอย่างละเอียดทั้งสิบหัวข้อนี้สรุปแล้วก็มีสมลักษณะคือ ก, ก็ไก่พยาบาทเพราะเขาทำความเสียหายให้เราขอไข่ พยาบาทเพราะเขาทำความเสียหายให้คนที่เรารักข้อควายพยาบาทเพราะเขาไปช่วยเหลือคนที่เราชังในสมลักษณะนี้ข้อกอไก่และข้อขอไข่ความกระจ่างดีแล้วส่วนข้อคอควายน่าคิดคือความพยาบาทของคนม่ใช่จะเกิดจากถูกทาร้ายตรงๆเท่านั้นในบางกรณี เราวิ่งเต้นช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งแต่เผอิญเป็นคนที่คนหัวพยาบาทนั้นไม่ชอบอุปการะที่เราทำไปนั้นมันเกิดไปเป็นน้ำแทงใจเขาเขาอาจพยาบาทเราก็ได้ตัวอย่างก็มีอยู่ถมไปยิ่งในยุคนี้ยิ่งเห็นได้ง่ายอย่างในสมัยเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเราไปสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งที่เราชอบเข้า ผู้สมัครเลือกตั้งซึ่งเป็นคู่แข่งกับคนที่เราสนับสนุนกลับมาผูกพยาบาทอาฆาตในตัวเราเธอถ้าข้าได้เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อไหร่คอยดูนี่แหละพยาบาทประเภทขอควายตะเลงจิตใจของคนผูกพยาบาททั้งสามประเภทนี้แล้วจะรู้สึกว่าใจพยาบาทมีอยู่สามขั้นขนาดเบา พยาบาทต่อเมื่อเขามารังแกถึงตัวขนาดกลางพยาบาทแม้แต่ใครมารังแกคนที่เรารักขนาดหนักพยาบาทแม้แต่เห็นเขาไปช่วยคนอื่นที่ตัวชัง่งพวกพยาบาทขนาดหนักนี้น้ําใจเป็นผ่านแท้คบไม่ได้เลยมีอย่างหรือเขาไม่ได้ทําอะไรให้ตัวสัตนิด ก็ผูกพยาบาทเขาคนอะไร